พุทธอุทานคาถาที่สองเมื่อได้แล่ทำทั้งหลายปรากฏแก่ยพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายข้อ3ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่า